ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธการเทศโปรดชาวบ้านสาละสาเลยยกษสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่สิบสองเริ่มต้นที่ข้อห8 3ดสมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จเจ้าริก ไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้ลุถึงหมู่บ้านปรามแหมงหนึ่งชื่อสาละพรามและขรรบดีชาวบ้านสาละได้สดับข่าวว่าพระสมณาคโคดมผู้สาคยบุตรเสด็จออกจากสาคยตระกูลบวชแล้วได้จาริกไปในแคว้นโกศล ลุถึงหมู่บ้านสาระก็กิติศัพ์อันงามของท่านพระโคดมได้กรอจอนไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัรสรู้ชอบได้ด้วยตนเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง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 ปรมโลกให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนหมูสัตว์พรามทั้งสมณพราหมณ์พรามทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้แจ้งตามทรงแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดทรงประกาศปรมาจารย์พรามทั้งอัตฐะพรามทางพยัญชนะอันบริสุทธิ์ บารุบุญสิ้นเชิงก็การเห็นพระอารันทั้งหลายเห็นป่านนั้นย่อมเป็นการดีหนังนี้ครั้งนั้นพราหมณ์และกราบดีชาวบ้านสาละจึงได้เข้าไปเฝ้าประผู้มีพระภาคบางพวกถวายอภิวาทบางพวกทูลปราใสบางพวกประนมมือบางพวกประกาศชื่อและโคตร บางพวกก็นิ่งอยู่แล้วต่างก็พากันนั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ตูลตามพระผู้มีพระบากเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระกดมผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้สัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตและนรกในเบื้องหน้าแต่การตาย เพราะร่างกายแตกดับและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้สัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในเบื้องหน้าต่อการตายเพราะร่างกายแตกดับในที่ดันบราผู้มีพระบาได้ตรัสว่าพราหมณ์และเครื่องประดิษ์ทั้งหลายคือสัตว์บางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าถึงอบายทุคติ วินิบาทและนรกเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับเพราะเหตุประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติธรรมส่วนสัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับเพราะเหตุประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรม พวกปรามและกครือบดีเหล่านั้นจะได้กราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่ทราบเนื้อความในรายละเอียดแห่งธรรมะที่พระโกดมตรัสโดยย่อไม่ได้ส่งจำแนกเนื้อความให้ได้ในรายละเอียดขอท่านพระโกดมผู้เจริญโปรดแสดงธรรมแก่พวกข้าพระองค์โดยอาการที่พวกข้าพระองค์จะบึงรู้เนื้อความอย่างพิสดารแห่งธรรมะ ที่พระกรมได้ตรัสโดยย่อไม่ได้จำแนกเนื้อความให้พิสดารเถิดพระผู้มีพระภาคในที่นั้นได้ตรัสขึ้นว่าพรามและกระบิดีทั้งหลายถ้าเะนนั้นพวกท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่อพวกพรามและกระเบิดีทูลรับพระราดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสอย่างนี้ว่า ความและคระบุตทั้งหลายความประพฤติไม่เรียบร้อยคือความไม่ประพฤติรรมทางกายมีสามอย่างทางวาจามีสี่อย่างทางใจมีสามอย่างคือความไม่ประพฤติเรียบร้อยคือความไม่ประพฤติตามทางกายเป็นอย่างไรเล่าคือบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัต มีใจเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดพอใจในการบราดปราฮนการฆ่าไม่มีความละอายไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ตั้งปวงเธอเป็นผู้ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้คือลักทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของบุคคลอื่นทั้งที่อยู่ในบ้านหรือที่อยู่ในปา่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยอาการแห่งคนโมยเป็นผู้ประพฤติผิดในการตั้งหลายคือถึงความสมสู่ในพวกหญิงที่มารดารักษาบิดารักษาที่มารดาและบิดารักษาที่พี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาตรักษาหญิงที่มีสามีหญิงที่ทำรักษาที่สุดแม้หญิงที่เขามั่นไว้ ด้วยการคล้องบ่วงมาไหลท่านพราหมณ์และก็ระเบียทั้งหลายก็ความประพฤติไม่เรียบร้อยคือความไม่ประพฤติธรรมทางกายมีสามอย่างเหล่านี้แหละก็ความประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติธรรมทางวาจาสอย่างเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กล่าวเทศ คือไปในที่ประชุมหรือไปในหมู่ชนหรือไปในท่ามกลางญาติหรือไปในท่ามกลางกุนนางไปในท่ามกลางราชตระกูลหรือถูกนำไปเป็นพยานเมื่อถูกถามว่าเชิญเถิดท่านรู้เรื่องใดก็จงบอกเรื่องนั้นเขาเมื่อไม่รู้ก็บอกว่ารู้บ้างเมื่อรู้ก็บอกว่าไม่รู้บ้าง เมื่อไม่เห็นก็บอกว่าเห็นบ้างเมื่อเห็นก็บอกไม่เห็นบ้างเป็นผู้กล่าวคำเท็จ ท, ทั้งที่รู้อยู่เพราะเหตุแห่งตนเองบ้างเพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้างเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรสิ่งเล็กน้อยบ้างดัดนั้นเป็นผู้ชอเสียดคือฟังคำข้างนี้แล้วนำไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนพวกนี้บ้าง หรือฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายพวกคนข้างโน้นบ้างอยู่ยงพวกที่ร้อมเปลี่ยกันให้แตกกันไปบ้างส่งเสริมพวกที่แตกกันแล้วให้แตกกันมากยิ่งขึ้นเป็นคนชอบใจคนที่แตกกันเป็นพวกยินดีความแตกกันเป็นพวกชื่นชมในพวกที่แตกกันและกล่าววาจาที่ทำให้แตกกันเป็นพวกคือคำสออเสียด ตนั้นเป็นผู้มีวาจายาบคือกล่าววาจาอันเป็นโทษมีความหยาบคายอันเปิดร้อนแย่ผู้อื่นอันกัดใจผู้อื่นอันใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อความสงบแห่งจิตคือสมาธิเป็นผู้กล่าวคาเพื่อเชือคือพูดในเวลาที่ไม่ควรพูดพูดเรื่องที่ไม่เป็นจริงพูดไม่เป็นประโยชน์พูดไม่เป็นธรรม พูดไม่เป็นวินัยกล่วาวว่าจาไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่สุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์โดยการไม่สมควรท่านบรามและกระบริีทั้งหลายความประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติตามต่างวาจาสี่อย่างเป็นอย่างนี้ลหละก็ความประพฤติไม่เรียบร้อย คือความไม่ประพฤติตามทางใจสามอย่างเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความโลภมากคือเพ่งเล็งทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าขอของผู้อื่นพึงเป็นของเราเถิดดังนี้เป็นผู้มีจิตพยาบาดคือมีความน้ำริในใจอันชั่วช้าว่า ขอัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าบ้างจงถูกทำลายบ้างจงขาดศูนย์บ้างอย่าได้มีแลบ้างหนังนี้หรือเป็นผู้มีความเห็นผิดคือมีความเห็นวิปริตว่าผลแห่งทานที่ให้แล้วไม่มีผลแห่งการบูชาไม่มีผลแห่งการเช่นสวงไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี โลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายที่เป็นปุดเกิดขึ้นไม่มีสมณะและประรามทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แช้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามไม่มีอยู่ในโลก น, น, นี่นี่คือความประพฤติไม่เรียบร้อย คือความไม่ประพฤติธรรมทางใจสอย่างนั่นบามและกระเบิดทั้งหลายสาัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตและนรกเพราะเหตุประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติทธรรมอย่างนี้แหละก็ความประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติธรรมทางกายมีสมอย่าง ทางวาจามีสี่อย่างและทางใจมีสามอย่างท่านพรามและเกรืบดีทั้งหลายก็ความประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติธรรม่างกายสามอย่างเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางเรื่องประหารและศาสตราเสียแล้ว มีความละอายมีความเม็นดูหวังประโยชน์เกื้อกูลในรมนดาสัตว์ทั้งหลายอยู่หรือลัการถือเอาทรัพย์เป็นเจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อั็นเจ้าของไม่ได้ให้ไม่ลักทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นทั้งที่อยู่ในบ้านและในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแ่งขโมย ต่นั้นละการบริติบปิดในการตั้งหลายเว้นจากการบริวิบปิดในการคือไม่ถึงความสมสู่ในพวกหญิงที่มารดาบิดารักษาที่พี่น้องชายพี่น้องหญิงรักษาที่ญาตรรักษาหญิงที่มีสามียิงที่ธรรมารักษาหรือที่สุดหญิงที่เขามั่นไว้ด้วยการคล้องบ่วงเมลัย พรามและกครืบดีทั้งหลายความประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติธรรมทางกายสมอย่างเป็นอย่างนี้แหละท่านพรามและกครืบดีทั้งหลายก็ความประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมทางวาจา4อย่างเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ละการพูดเท็จเว้นการจะการพูดเท็จ ไปในที่ประชุมหรือไปในหมู่ชนหรือไปท่ามกลางญาติหรือไปในท่ามกลางกุนนางหรือไปในท่ามกลางราชสกุลหรือถูกนําไปเป็นพยานถูกถามว่าเชิญเถิดท่านรู้เรื่องใดก็จงบอกเรื่องนั้นเขาเมื่อไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้หรือเมื่อรู้ก็บอกว่ารู้ เมื่อไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นหรือเมื่อเห็นก็บอกว่าเห็นไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เพราะเหตุแห่งตนบ้างเพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้างหรือเพราะเหตุเห็นแก่สิ่งของที่เป็นอมิตรเล็กน้อยบ้างเท่นั้นละวาจาสับสอคือวาจายุยงให้แตกกันคือเมื่อได้ฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้น เพื่อทำลายพวกข้างนี้หรือได้ฟังจากข้างโน้นแล้วก็ไม่นำมาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายพวกข้างโน้นแต่จะสมานพวกที่แตกกันให้ดีกันบ้างส่งเสริมพวกที่ร้มเปรยงกันอยู่ให้ร้มเปรยงกันบ้างพอใจในความร้มเปรยงยินดีในความร้มเปรยงชื่นจชมในพวกที่รำเริเรงกันและกล่าววาจา อันนัไม่เกิดการร้อมเปลี่ยงดังนั้นลาวาจาหยาบคือเว้นกาดจากคำหยาบลาวาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดชวนให้รักมีความจับใจเป็นคำพูดของชาวเมืองเป็นคำพูดที่น่ารักใคร้พอใจดังนั้นละการพูดเพอร์เจอเว้นกาดจากการพูดเพอร์เจอพูดในเวลาที่ควรพูด ตามความจริงพูดเรื่องที่เป็นประโยชน์พูดเรื่องที่เป็นธรรมพูดเรื่องที่เป็นวินัยกาวาจามีหลักฐานที่อ้างยิงมีที่สุดจบประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควนท่านปราหม์และกระเบดิดทั้งหลายความประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติตาำทางวาจาสีอย่างเป็นอย่างนี้แหละ ก็ความประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติธรรมทางใจสามอย่างเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีความโลภไม่เพ่งเล็งทัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าขอของผู้อื่นพึงเป็นของเราเถิดหนังนี้ตะนนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ปยาบาด มีความดำริในใจอันไม่ชั่วช้าว่าขอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีแต่สุขรักษาตนเถิดดังนี้เธอนั้นเป็นผู้มีความเห็นชอบคือมีความเห็นไม่วิปริตว่าผลแห่งทานที่ให้แล้วมีอยู่ผลแห่งการบูชามีอยู่ ผลในการเส้นสวงคือยันมีอยู่ผลวิบากแห่งกรรมที่ทําดีทาชั่วมีอยู่โลกนี้มีอยู่โลกหน้ามีอยู่มารดาบิดามีอยู่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นอุ ป, ปาติกะคือผุดเกิดขึ้นมีอยู่สมณะและพระมา์ทั้งหลายผู้ดาเนินชอบปฏิบัติชอบผู้ทําโลกนี้และโลกหน้า ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วบอกสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้นั้นก็มีอยู่ในโลกนี้ดังนี้ท่านบราห์และกระเบิดีทั้งหลายความประฤติดเรียบร้อยคือความประฤติดต า, า, าม่างใจมีสามอย่างเหล่านี้หละก็สัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับ ก็เพราะเหตุประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมอย่างนี้แหละท่านบราห์มและข้ารับดีทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวังว่าโอ๋นเนอเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับเราพึงเข้าถึงความเป็นพวกกษัตริย์มหาศาลเดิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือเบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นพวกกษัตริย์มหาศาลข้อนั้นไระเหตุไร้เล่าเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมอย่างนั้นแหละพรามและกระับดีทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติ ธ, ธรรมด้วยหวังว่า โหนอเบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นพวกป h a ม m a สารปรา r m a และกราบีทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวังเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นพวกกราบดีมาาหาสารเติรดนังนี้ก้อนนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือเบื้องหน้าแต่การตายพระกายแตกบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นพวกปรามมหาศาลหรือกระาบดีมหาศาลนั่นเป็นปพระเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแหละปรามและกระดาบดีทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวังว่า เบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาฉันจาตุมหาราชิกาเถิดหรือพึงเป็นผู้เข้าถึงความเป็นเทวดาฉันดาวดึงหรือความเป็นพวกเทวดาฉันยามาหรือความเป็นพวกเทวดาฉันดูสิทธิหรือความเป็นพวกเทวดาฉันนิมมานรตีหรือความเป็นพวกเทวดาชัน ปาริณิมิตาสวัสดีถ้าบุคคลประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวังว่าเบื้องหน้าแต่การตายเพระกายแตกจะพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรหมหรือพึงเข้าถึงความเป็นเทวดาพวกพรหมในชั้นอาภาชั้นปริตาภาชั้นอัปปมันนาภา หรือความเป็นพวกเทวดาชั้นอาภสราความเป็นพวกเทวดาชั้นปริตตสุภาชั้นอัปปะมานสุภาเทวดาชั้นสุภกินนาคะเทวดาชั้นเวหผละเทวดาชั้นอวิหาเทวดาชั้นอัตปาเทวดาชั้นสุทสาเทวดาชั้นสุทศีเทวดาชั้นอากณนิทะ หรือความเป็นเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานันใจยตนาภพหรือความเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงบิญญานันใจยตนาภพหรือความเป็นเทวดาผู้เข้าถึงอากินัญญายตนาภพหรือเนวสัญญาหน้าสัญญายตนาภพข้อนั้นเป็นพระเหตุอะไรเป็นพระบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อย คือเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมอย่างนี้แหละต่้นบราห์มและกระบดีทั้งหลายถ้าบุคคลประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติ ธ, ธรรมแล้วพึงหวังว่าเราพึงทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะปราศินอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเข้าถึงอยู่ในชาตินี้เถิด ข้อ น, นี้ก็เป็นฐานะที่จะมีได้คือบุคคลนั้นพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในชาตินี้นั้นเป็นเพราะเหตุอะไรเป็นเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติคือประพฤติเรียบร้อยเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมอย่างนี้แหละ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพวกปรามและขระบดีชาวบ้านสาละได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระคดมผู้เจริญภาิของพระองค์จแจ่งนักภาษิตของพระองค์จแจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงสแสดงธรรมโดยเอเนกปริยายเปรียบเหมือนการไายของที่คว่ําอยู่เปิดของที่ปิดอยู่ บอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทิบไวในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปดังนี้กาพวกข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระกลมกับทั้งพระรรมและหมู่ภิกษุว่าเป็นสารณะขอพระกรมผู้เจริญจงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรยัยเป็นสารณะตลอดชีวิต จำเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนันนี้แหละสาเลยยากะสูตรจบฟังธรรมคมพุท ธ, ธะ